เดี๋ยวต่อก่อนจะเข้าในเรื่องของอรคธูรประมะสูตรเพราะว่าพูดมาเมื่อเช้านี่ก็เวลาเจาะเข้าไปถึงตัวทิฏฐิเนี่ยก็เริ่มมีปัญหาขึ้นมาทิฏฐินี้เป็นสภาวธรรมที่มีความเห็นผิดจะเป็นทิฏฐิที่เป็นอกุศลนะที่มีความเห็นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ก็คือว่ามีความเห็นที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเนี่ยเพราะเชื่อมั่นอย่างผิดๆว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นไม่จริงเป็นต้นเหล่านี้สภาวะของทิฏฐิมีความต่างกันตรงกันข้ามกับปัญญาเพราะปัญญาในรู้สภาพอารมณ์ได้ตามที่เป็นจริงส่วนทิฏฐินั้นย่มสละสภาพที่เป็นจริงออกเสียแล้วก็ยึดถือเอาสิ่งที่ไม่จริงเรียกว่าเห็นผิดแล้วก็ถือผิดจากทานองของธรรมนะ ทีนี้ในตัวทิฏฐิเจตสิกหรือตัวทิิมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมาจากคำว่าอโยนิโสพินิเวสานรคณามีการยึดมั่นโดยอุบายอันไม่แยบคายเป็นลักษณะก็หมายความว่าสภาวะลักษณะของทิฏฐิเนี่ยย่อมมีการยึดถือผิดไปจากความหรือจากสภาพที่เป็นจริง การยึดถือที่ตรงกันข้ามกับความเป็นจริงก็ได้แก่การยึดถือสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงยึดถือสิ่งที่เป็นโทกว่าเป็นสุขยึดถือสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนยึดถือในสิ่งที่ไม่งามว่างามเนี้ยลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าทิฏฐิเวลาทิฏฐิเกิดขึ้นมาเขาจะทําหน้าที่ของเขาเนะ ปรมาสะระสาก็มีการยึดมั่นผิดสภาวะยึดมั่นผิดสภาวะเป็นกิตก็หมายถึงว่าสภาพของทิฏฐิเนี่ยก็ทำกิจในการยึดถือสิ่งต่างๆให้ผิดไปจากความเป็นจริงได้แก่การยึดถือในสิ่งที่เป็นอกุศลว่าเป็นกุศลยึดถือในสิ่งที่เป็นกุศลว่าอากุศลอย่างเงี้ยนะยึดถือสิ่งที่เป็นบุญว่าเป็นบาปไอ้เงี้ยมันตรงกันข้ามอย่างเงี้ยเขาเยยึดถือ มิจฉาพิเนเวสนะปัจจุบถานาก็มีการถือหรือยึดถือความเห็นผิดนั้นไว้เป็นอาการปรากฏก็หมายยังไงก็หมายความว่าสภาพของทิฏฐิเนี่ยเวลายึดถือสิ่งใดแล้วย่อมติดอยู่ในสิ่งนั้นติดขนาดไหนติดชนิดที่ยากที่จะแก้ไขเพราะฉะนั้นบุคคลที่มีมิจฉาทิฏฐิหรือถูกมิจฉาทิฏฐิครอบงำเนี่ยก็ยึดถือผิดต่างๆ ที่ตรงกันข้ามกับความเป็นจริงถึงแม้จะมีผลมารบล้างความเห็นผิดของตนอย่างไรก็แล้วแต่ก็ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมปล่อยความเห็นนั้นไม่ยอมล้างความเห็นนั้นอะไรเป็นเหตุใกล้ของมิจฉาทิฏฐิมีความไม่ต้องการเห็นปริยาจาวไม่มีไม่มีไม่มีความต้องการฟังสิ่งที่เป็นจริงฟังเรื่องจริงไม่ได้ไม่ชอบ นะถ้าเรื่องจริงๆเรื่องที่เป็นไปคําสอนเนี่ยอันนี้ไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบครบ ร, ะระยาณามิตรไม่ชอบเห็นพริยาเจ้าไม่ต้องการฟังธรรมไม่ต้องการการฟังคําสอนของพระพุระยาเจ้าเพราะว่าคําสอนของพริยาเจ้าเนี่ยท่านสอนความจริงแล้วมันขัดแย้งกับความเห็นตัวเอง <c oughs> ขัดแย้งกับทิฏฐิประทิฏฐิตัวเองต้องล็อกความเห็นอย่างนี้ถ้ามีใครที่เขาเห็นต่างเนี่ย หรือว่าเขาเอาความจริงมาพูดเนี่ยมันรับไม่ได้มันกระแทกตัวเองเหมือนถูกว่าเหมือนถูกทิมเหมือนถูกแทงนั้นคนประเภทนี้จะมีอาการแบบนี้อาการที่ไม่ชอบฟังข้อมูลที่จริงๆฟังเรื่องหลอกหลอกได้อย่างยกตัวอย่างเช่นนะโอ้ยสวยงามนะ ท, ทั้งที่แก่ขนาดไหนอ่ะนะให้ชอบให้มีคนชมว่าสวยงามสุขภาพแข็งแรงดีเนี่ยจะมีลาบจะมีบุญนะเน่ชอบฟังแบบนี้นะ ถ้าใครมาบอกว่าใกล้าตายแล้วนี่ยโอ้โหมันสะเทือนใจมากฟังไม่ได้ฟังไม่ได้เป็นโทกแทบตายโรคภายแค่เจ็บเบียดเบียนแทบตายถ้ามีคนมาบอกว่าเดี๋ยวก็หายเลยชื่นใจแต่มีคนบอกว่ามันไม่มีทางหายหรอกมันยิ่งจะหนักลงไปเรื่อยๆเืๆ ๆ, ๆ, ๆที่สุดมันเบียดเบียนจนกระทั่งตายนั่นแหละเงี้ยโอ้โหมันอึดอัดครับครับคล้องมากคนนั้นมีจฉาทิฏฐิมันจะล็อกความเห็นไว้มไม่ชอบฟังแบบนี้ ถ้ามีใครมาบอกโอ้เนี่ยต่อไปสุขภาพจะแข็งแรงนะร่างกายดีเนี่ยมีคนมาพูดอย่างเงี้ยชื่นใจหลงอย่างเงี้ยคําคําที่ไม่จริงเนี่ยชอบถ้าเขาบอกว่าเนี่ยอาการที่เป็นอยู่เนี่ยมันจะหนักลงเรืเ่อยๆๆๆๆๆนะเขานะเขาจะต้องไปหาหมอนะเข้าจะต้องไปกินยานะเขานะเขาจะต้องอยู่ในโรงพยาบาลออกจากโรงพยาบาลไม่ได้โอ้โหมันไม่ชอบเลยเห็นไหมทิฏฐิจะเป็นอย่างนี้ ถ้าใครบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวก็จะเป็นเดี๋ยวจะได้รับความสุขยิ่งยๆๆยิขึ้นไปถ้ามีใครบอกเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวแกเดี๋ยวก็ต้องเจ็บไข้นะกเข้านักเข้าโรคภัยแค่เจ็บจะเบียดเบียนไปเรื่อยเรืื่อเรืนักเข้าจะเดินไม่ได้ตาก็จะพิการหูก็จะพิการจมูกก็พิการปากก็จะพิการผมขนเล็บฟันหนังเนื้อทั้งหลายเอ็นกระดูกทั้งหลายจะทําหน้าที่วิปปิตผิดเพี้ยนนัเข้านัเข้าจะหยุดทําหน้าที่แล้วก็จะเนี่ย พี่นพิการไปต่างๆนาๆน า, น, านี่คือความจริงเป็นอย่างนี้นะโอ้โฟังไม่ได้เลยใครมาสาบมาแช่งฉังนนี่มองเห็นเนี่ยถ้ามีใครก็บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวก็วิบัติหมดมีทสาบก็จะต้องวิบัติมีตาก็ต้องวิบัติมีหูก็ต้องวิบัติมีร่างกายทั้งหลายเหลา่านี้วิบัติหมดสติปัญญาทั้งหลายที่ได้มาวิบัติหมดไม่มีเลือฟังไหวไหมไม่ใช่ทิฏฐิฟังไหวไห ม, ไม พี่ตีฟังไม่ไหวอเออตอนนี้เป็นอะไรนอนไม่ค่อยรับเอออันี้อายุเท่าไหร่แล้วอายุยี่สิบหกครับเออเดี๋ยวเถอะตะเข้าตะเข้าจะนอนไม่ได้ทั้งวันทั้งคืนเลยโอ้โหโอโอพอฟังอย่างเงี้ยรับไหวไหมทนไม่ไหวเนี่เยเป็นเพราะดินสภาพร่างกายเพราะแน่ไหนต้องจะชอบฟังฟังเพราะๆจึงไม่ชอบเห็นพริยาเจ้าเนี่ยมันตรงข้ามกับความเห็นของตน ยังทำให้ความเห็นผิดหมักหมมอยู่ในขันธสันดานมากยิ่งๆขึ้นไปเนาะทีนี้ธรรมดาทิฏฐิเนี่ยก็เรียกสักกายะทิฏฐิ20่เนี่ยสักกายะทิฏฐิหมายถึงความเห็นที่เป็นไปในรูปนามกัน5ของตนเนี่ยซึ่งเป็นความเห็นผิดแบบธรรมดานี่แหละแต่มันจะพัฒนาไปเรื่อยเนี่ยเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิ ญ, ญญาณเป็นตนเห็นว่าตนมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญ ญ, ญาณ เห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีในตนเห็นว่าตนมีในรูปตนมีในเวทนาตนมีในสัญญาตนมีในสังขารตนมีในวิญญาณเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยนะอันนี้เ็าเรียกว่าสัตตัติฐิหรือสกฤยทิฐิความเห็นผิดว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยนะความเห็นผิดที่มันเป็นปกติธรรมดาของมนุษย์ทั้งหลายมันเป็นอย่างนี้แหละ จะขยายยังไงทีนี้ยจะดูตัวทิฐถีตรงนี้นิดหนึ่งว่าที่เขาไม่เห็นโดยความเป็นตนเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยไอ้ที่เห็นโดยความเป็นอัตตาเป็นตัวตนมันเป็นยังไงนี่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของขันห้ามาบ้างแล้วน่ะเรียนรู้เรื่องของขันห้า จะดูในเรื่องของทิฏฐิหน่ทิฏฐิหมายถึงคำว่าความเห็นทฤษฎีลทัทธิความเชื่อถือต่างๆความรู้ที่ได้ลงข้อสรุปให้แก่ตนอย่างใดอย่างหนึ่งประกอบด้วยความยึดถือผูกพันกับตัวตนหรือลักษณะการที่อาจให้เกิดการถือแบ่งเป็นของเขาเป็นของเราเป็นเราเป็นเขาเนี่ยแต่ถ้าหากว่ามองในลักษณะนี้ทิฏฐิเนี่ยในทางด้านของ สันสกฤีตเขาบอกว่าเป็นทฤษฎีเรียกว่าทฤษฎีทฤษฎีหรือทิฐิตัวเนี้ยมันไปยึดถือผิดเพราะมไม่เข้าใจเรื่องสัจจะไม่เข้าใจว่าแยกไม่ออกระหว่างสมมุติสัจจะกับปรมาิตยสัจจะเขาแยกไม่ออกสัจจะที่เป็นความจริงโดยสมมติความจริงโดยปรมาทัยอย่างไรเนี่ยแยกไม่ออกบรรดาทิฐีเหล่านี้หรือความเห็นเหล่านี้ก็เลยไปยึดมั่นถือมั่น จริงมันจะมีส่วนของอุปาทานนี่แหละเขามองถึงว่าตันหาเป็นปใจใัจจัยเกิดอุปาทานใช่ไหมเนี่ยมันมาถ้าพูดถึงแดหลักของปฏิจจสมุปบาทก็จะเห็นไอตัวสภาพตันหาเป็นปใจใัจจัยเกิดอุปาทานเนี่ยว่าอิทิถีทั้งหลายนะี่โดยส่วนใหญ่ก็จะคือมีตัวตัวนี้แตัวตันหาเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิด ถามว่าไอตัวตัณหาเป็นปัจจัยเกิดอุปาทานเนี่ยเกิดยังไงเขาบอกว่ามันเกิดจากความอยากเมื่อเกิดความอยากแรงขึ้นก็กลายเป็นความยึดติดเหมือนจับถือแล้วค้างไว้ในใจมันก็วางไม่ลงก็เกิดมีท่าทีขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งต่อสิ่งนั้นถ้าชอบก็ตัวเข้าไปผูกติดเหมือนดังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับมันเลยทีนี้ใจมันก็คล้อยตามใจมันก็ยึดติดตามไป อะไรที่เกี่ยวข้องกับมันก็เห็นดีเห็นงามไปหมดอะไรที่กระทบกับมันก็กระทบเราด้วยถ้าชังก็เกิดความรู้สึกปะทะกระทบเหมือนกับเป็นตัวปรัักคู่กรณีกับตนอะไรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นบุคคลนั้นหรือสภาวะนั้นก็รู้สึกว่ากระทบขัดผักนะแล้วมันผักอยู่เรื่อยๆไม่เห็นดีไม่เห็นงามมันขยับขยื่นทําอะไรเป็นดังกระทําต่อเราไปหมดเลยพร้อมกันนี้ยถ้าทีไม่ว่าในทางชอบหรือในทางชังเนี่ย ยำเป็นเครื่องมือเสริมย้ำแล้วก็เป็นไปด้วยการกำกับยึดถือติดแล้วก็ยึดถืออย่างมั่นคงก็เชิดชวคุณค่าความสาคัญของสิ่งนั้นๆคือสิ่งที่ปนเปืออํานวยความสุขที่จะถูกได้หรือถูกขัดถูกแย่งไอ้กามทั้งหลายเหล่านี้นะในส่วนจริงๆก็เกิดกลายเป็นขัดใจเราไปด้วยทำให้ใจเราเป็นทุกข์ไปด้วยเกี่ยวข้องกับโรควาชีวิตบ้างเนะี่ยในขณะที่ความเห็น ที่เป็นไปในลักษณะเป็นแบบเป็นแผนอย่างไรก็เป็นไปในลักษณะอย่างนั้นได้พูดไปแล้วในเรื่องของการมุปาทานที่ถุปาทานศีระพตุปาทานและไปลงท้ายด้วยอัตวาทุปาทานการมุปาทานมันยึดมั่นในกามใช่ไหมอยากได้ดินลนแสหายึดติดในสิ่งที่อยากได้เมื่อได้แล้วก็ยึดมั่นผูกพันต้องการจะสนองความต้องการตนเองให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปใช่ไหมกลัวว่าสิ่งนั้นมันจะหลุดลอยกลัวจะพลากกลัวจะหายไปถ้าเกิดผิดหวังขึ้นมาปุ๊บ เนี่ยแม้หรือพากไปก็ยิ่งปักใจมั่นด้วยความผูกใจอะไรหลายๆคนก็แทบเป็นบ้าเป็นคลั่งเลยเนี่ยเพ้อกันอยู่อย่างนี้แหละความยึดมั่นแน่นแขวนเนี่ยพอสิ่งสนองความต้องการต่างๆมันไม่ให้ภาวะที่เต็มอิ่มมันไม่สามารถจะสนองความต้องการตนเองได้อย่างเต็มขีดเต็มอยากได้จริงๆเพราะในคราวหนึ่งหนึ่งมันเกิดความพยายามเข้าไปถึงขีดเต็มอยากนั้นด้วยการกระทําแล้วกระทาอีกมันต้องการอยากให้มันเต็มอยากต้องการมันเต็มอิ่มแต่มันก็ มันก็ไม่สามารถเพิ่มให้มันเต็มได้อย่างที่บอกว่าตัณหาเนี่ยเติมยังไงมันก็ไม่เต็มเหมือนทะเลเนี่มันไม่อิ่มกับน้ำแต่ความอยากมันก็ไม่อิ่มต่ออารมณ์ไม่อิ่มต่อความต้องการสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ของตนอย่างแท้จริงมันไม่ใช่ของตนอย่างแท้จริงมันไม่จริงไม่สามารถเติมเต็มได้จริงต้องยึดไว้ด้วยความรู้สึกหลอกตัวเองไปจูงใจตัวเองไปว่าเป็นของตนในแง่ใดแง่หนึ่ง ยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะยึดไอ้ขันห้าเนี่ว่าเป็นพ่อเราในแง่ใดแง่หนึ่งแล้วก็ยึดไว้ใช่ไหมเพื่อต้องการจะผูกันเป็นของเราบางคนก็ไปยึดคนนี้ไอ้ขันนี้เป็นแม่ไปยึดขันนี้เป็นลกูกไปยึดขันนี้เป็นภรรยาไปยึดขันนี้เป็นบุตรไปยึดขันนี้เป็นเพื่อนยึดขันเนี้ยนะมันก็ไปยึดในแง่ใดแง่หนึ่งหรือว่ามันเป็นเราไอ้นั่นเป็นของเราแล้วก็แล้วแต่มันก็เข้าไปยึดเพื่อต้องการที่จะในแงไ่ใดแง่หนึ่งนั่นแหละ เพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นจริงมันไปติดอะไรเมันไปติดอย่างนั้นแหละความคิดจิตใจของบุตุชนเนี่ยพอไปยึดติดอย่างนี้แล้วเนี่ยมันเลยกลายเป็นผูกพันอยู่กับสิ่งที่สนองความอยากดังใดยอย่างหนึ่งมันปลอดปล่งปีนิษฐาและเป็นกลางไม่ได้สมมติเราไปยึดติดปุ๊บว่าเป็นพอ่อปุ๊บเนี่ยความเป็นกลางนี่ไม่ได้แล้วมันเอียงทันทีแล้ว ไปยึดว่าเป็นลูกไปยึดเป็นบุตรไปยึดเป็นภรรยาไปยึดเป็นสามีไปยึดเป็นพ่อแม่ผีตาปู่ตายายๆทั้งหลายมันเป็นกลางไม่ได้พิธอิสระไม่ได้แล้วมันเป็นฉันทาคติบ้างลำเอียงเพราะรักบ้างลำเอียงเพราะโกรธบ้างลำเอียงเพราะหลงบ้างลำเอียงเพราะกลัวบ้างเยอะแยะไปหมดมันจะตามมาอย่างนี้แหละเห็นไหมชีวิตจิตใจของบุถุชนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอิสระไม่ปลอดโปร่งแล้วก็ไม่เป็นกลางใช่ไหม ถ้าต้องการอยากจะเป็นอิสระปลอดโปร่งและเป็นกลางต้องทาลายเลอยอทำลายความยึดติดที่เป็นตันหาด้วยที่เป็นทิธีด้วยถ้าไม่สามารถทำลายตัวตันหาและมานาและทิธีได้เนี่ยไม่สามารถจะปลอดโปร่งไม่สามารถจะเป็นอิสระไม่สามารถจะเป็นกลางได้ก็เป็นไปได้วยความลำเอียงบ้างฉันทากติโทสาคติโมหาคติพยาคติแล้วมันเป็นอิสระไหมไม่เป็นมองเห็นหรือยังตอนนีย รับการต่อมาคือทิฏฐุปาทานอันนี้ตัวทิฏฐีแท้ๆเลยเนี่ยยึดมั่นในทฤษฎียึดมันนดม่นในทิฏฐิต่างๆความอยากนี่แหละเป็นปัจจัยไอ้ความอยากให้เป็นหรือไม่ให้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ตธอเด็กต้องการก็ทําให้เกิดความเอียงๆที่จะยึดมันนมดม่นในทิฏฐิเห็นไหมยึดมั่นในทฤษฎียึดมั่นในหลักปรัิญาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เข้ากับความเห็นความต้องการตนเองทีนี้ไอ้ความอยากได้เนะย ความอยากได้สิ jas, mind, ่งสนองความต้องการของตนเนี well ่ยก็ทําให้ยึดมั่นในหลักการยึดมั่นในแนวคิดยึดมั่นในความเห็นยึดมั่นในลัทธิยึดมั่นในความเชื่อพอเราเชื่อสิ่งใดยึดมั่นในสิ่งนั้นยึดมั่นในหลักคําสอนที่สนองหรือเป็นไปเพื่อสนองความต้องการของตนเมื่อยึดถือความเห็นหรือหลักความคิดอันใดหนึ่งเป็นตนเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันพนวกอะไรผนวกกับเอาความเห็นหรือหลักความคิดนั้นน่ะมาเป็นตัวเป็นตนไปด้วย เือเวลาเราไปยึดมั่นในความเห็นแล้วหรือยึดมั่นในทฤษฎียึดมั่นในหลักการอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเราไปเห็นว่าความเห็นนั้นเป็นตัวตนของเราไปไหมเช่นถ้าเราชอบอากาศร้อนหรือชอบอากาศเย็นชอบอากาศชอบฝนตกชอบฝนไม่ตกเนี่ยมันเลยไปยึดมั่นว่าตัวเราเนี่ยชอบฝนตกตัวเราเนี่ยไม่ชอบที่ไม่มีฝนบางคนก็บอกไม่ชอบเลย ไอ้ที่มีฝนเนี่ยถ้าไม่มีฝนเนี่ยดีกว่ามีฝนไม่ชอบบางคนก็ชอบฤดูหนาวเลยดีเพราะงั้นะบอกฉันเนี่ยเป็นคนชอบฤดูหนาวก็ไปผูกมัดไอ้ความเห็นมันเป็นอัตตาเป็นตัวตนตนเองไปเลยเฉะนั้นความเห็นกับตนเลยกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปเลยอย่างนี้มีเยอะไหมเราเป็นอย่างนั้นตลอดใช่ไหมแล้วถ้าหากใครมาทําลายความเห็นเราก็ทําลายเราด้วยไหมเนี่ยมาขัดแย้งความเห็นเราขัดแย้งเราด้วยมาชื่นชมความเห็นเราก็ชื่นชมเราด้วย มาสรรเสริญความเห็นเราก็สรรเสริญสรรเสริญเราด้วยอย่างนี้เป็นต้นเวลาแสดงความคิดเห็นใดใดออกมาถ้าคนอื่นชอบอสุดยอดความเห็นของเรานี่ใช้ได้ถ้าเราเกิดแสดงทัศนะความเห็นใดใดขึ้นมามีใครขัดแย้งมีใครนั่นเบียเสร็จโอ้โหเป็นปะระปักขึ้นมาทันทีเลยแปลว่ามันทําลายความเห็นเราก็คือทําลายเรามันชอบความเห็นเราก็คือชอบเราโอ้โหไปไมาแยกไม่ออกแล้วมนุษย์ความเห็นกับตัวตนมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรียบร้อยไปแล้ว ตรงนี้มันก็กลายเป็นตัวตนไปด้วยเลยไปยึดความเห็นเป็นตัวเป็นตนไปด้วยจึงนอกจากจะคิดนึกและการกระทาการต่างๆไปตามความเห็นแล้วเนี่ยนั้นแล้วเนี่ยเมื่อมีทฤษฎีหรือความเห็นอื่นๆที่มันขัดแย้งความเห็นที่ยึดไว้ก็รู้สึกว่าเป็นการภัยคุกคามแ่นทีถ้าใครมาเห็นตามเห็นดีเห็นงามกับความเห็นเราเนี่ยรู้สึกว่าไม่เป็นอันตรายแต่ก็มีใครเกิดมาเห็นขัดแย้ง ความเห็นหรือทฤษฎีหลักการของเราก็รู้สึกเป็นภัยคุกคามต่อความเห็นของเราแต่คนนักปกครองด้วยแล้วถ้าเขาสั่งอะไรลงไปปุ๊บแล้วถ้ามีคนไม่ทําตามขึ้นมาเขาโกรธไหมเนี่ยโกรธเลยไม่พอใจขึ้นมาเลยว่าทําไมเราสั่งไปแล้วไม่ทําอย่างนี้จะเป็นการบีบคั้นทําลายตัวตนให้เสื่อมให้ด้อยให้พร่องลงด้วยสลายไปด้วยยังได้อย่างหนึ่งเนี่ยฉะนั้นตรงนี้ต้องต่อสู้รักษาตัวตนรักษาอัตารักษาศักดิ์ศรี รักษาความเห็นอัตตาตัวตนให้คงอยู่ตลอดไปเนี่ยก็เกิดการขัดแย้งที่แสดงออกมาภายนอกเกิดการผูกมัดตัวครับแคบและสร้างอุปสรรคด้วยดังได้กล่าวไว้แล้วว่าอริธากาาภิกขูเนี่ยมีทิฏฐิตัวนี้แรงไหมแรงหรือไม่แรงในอรกถคตูมัสโที่พูดเมื่อเช้าเนี่ยออถอนไม่ได้เลยแล้วพระเจ้าก็ถามบอกว่าอริทกาาภิกขูเนี่ยสามารถจะพัฒนาปัญญาเกิดขึ้น จนสามารถแทงตลอดอริยสัจเข้าถึงพันธิพาณได้หรือไม่ได้พิสูจเหล่านั้นก็บอกไม่ได้พระเจ้าเป็นไปไม่ได้เลยคนที่ยังกอดแน่นอยู่ก็ว่าเห็นกับทิกฐิตศรีหลักการตัวเองอยู่เนี่ยไอ้ตัวทิฏฐิเหล่านี้เป็นกับดักกักปัญญางต์ตนเองเรียบร้อยแล้วความคิดเห็นต่างๆไม่เกิดประโยชน์ตามความหมายและ ว, วัตถุประสงค์แท้ๆของมันทำให้ไม่สามารถถือประโยชน์จากความรู้และก็ไม่สามารถรับความรู้ต่างๆได้เท่าที่ควรจะเป็น แทนที่จะสามารถอยู่พระเจ้าน่าจะได้ความรู้จากพระธรรมคำสอนของพระเจ้าพัฒนาปัญญาของตนเองจากจากปัญญาที่เป็นสุดตามยาปัญญาพัฒนาไปถึงกรรมสกตาปัญญาชานะปัญญาวิปัสนาปัญญามรรคปัญญาผลปัญญาปัจเจวิคณาปัญญาเนี่ยน่าจะพัฒนาปัญญาไปถึงตามลําดับจนถึงสามารถแทงตลอดสัจจความจริงได้แต่ก็ไม่สามารถที่จะเป็นไปได้ทีนี้พอมีทิฏฐิต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมาแล้วนะครับนะครับมนุษย์ก็ จะพัฒนาไปสู่ศีล้าปตูปาทานด้วยคือยึดมั่นในศีลพจน์ความอยากได้อยากเป็นอยู่ความกลัวต่อการสูญสลายตัวตนโดยไม่เข้าใจกระบวนการของเหตุและปัจจัยเป็นไปตามธรรมชาติผสมกับยึดมั่นในทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งมันทําทให้ประพฤติปฏิบัติตามๆกันมาอย่างงมงายเล ย, ยในสิ่งที่ยอมว่าขลังว้างศักดิ์สิทธิ์บ้างเพื่อฉนองความต้องการเนี่ยทั้งที่ไม่ได้มองเห็นความสัมพันธ์ทางด้านเหตุและผลตามความเป็นจริงแล้ว ความอยากให้ตัวตนคงอยู่มีอยู่และความมั่นคงในตัวตนมันเลยแสดงออกมาภายนอกเลยในทางสังคมบ้างในรูปแบบความยึดมั่นในรูปแบบแผนพฤติกรรมต่างๆทำสืบๆกันมาเป็นระเบียบเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีเลยเป็นลทัทธิตลอดถึงเป็นความเป็นลทัทธิประเพณีตลอดถึงสถาบันต่างๆที่แน่นอนตายตัวมันก็เลยมีรูปแบบต่างๆออกมาใช่ไหม จากทิฏฐิเนี่ยมนุษย์ก็ไปคิดคิดคิดคิดกันมาว่าจะวางระบบยังไงวางระเบียบยังไงวางหลักการยังไงบากทิฏฐิมีความเห็นจะต้องอย่างนี้ขึ้นมาพอวางระบบวางระเบระเบียบวางหลทัที่วางประเพณีวางหลักการปฏิบัติขึ้นมาแล้วไปยึดเลยตัเนี้ยแม้จากทิฏฐิข้างในมายึดข้างนอกกอยังยึดรลยไม่ยึดเป็นยึดระเบียบวัฒนธรรมประเพณีเลยเนี่ยลักษณะศีลปฏิบัติาทานเนี่ยเมื่อมีการประพฤติศีลหรือธรรมะข้อใดข้อหนึ่งมันไม่ทราบความมุ่งหมายไม่คำนึงถึงเหตุและผล ได้แต่สันนิษฐานว่ามันขังบางศักดิ์สิทธิ์บางปฏิบัติไปตามๆกันมาเนี่ยเรียบร้อยเลยบางทีก็สมาทานศีลประพฤธธติธรรมะแต่เพียงตุวแบบฉบับตามตัวอักษรตามประเพณีกันนั่นเองทําตามกันมาแบบประำปร า, ปราลักษณะแบบนี้ทำจนเคยชินอทิศทีลักษณะที่มันออกมาแบบมีรูปแผลรูปแบบแบบแผนแล้วเนี่ยเป็นทิศทีเป็นศีละพตุปาทานเนี่ยที่มีการยึดมั่นแต่ไม่เข้าใจเหตุผล ไม่เข้าใจว่ามีรูปแบบแบบแผนนี้ไว้เพื่ออะไรอย่างยกตัวอย่างเช่น อ, อย่างยกตัวอย่างเช่นว่าสวดมนต์ทำวัดทาไปทามาพอเราทำไปทำมาแล้วไปยึดยึดแบบแผนแล้วหรือประเพณีต่างๆ อย่างการเดินมิณาบาตทนั้นทำไปทํามาเป็นแบบแผนได้เป็นเสรีภาพตุปาทานได้ถ้าทําแบบงมงายไม่รู้ความหมายไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงทุกอย่างเป็นอย่างนั้นหมดได้อธิบายไปแล้วทีนี้ที่พูดถึงเรื่องตัวตนก็มาเข้าถึงอัตวาทุปาทานความยึดมั่นว้าท้าตัวตนเนี่ยความรู้สึกว่ามีตัวตนที่แท้จริงมันเป็นความเห็นผิดที่เป็นพื้นฐานอยู่ไหมตั้งแต่เกิดมาเลยแแล้วล้วก็มีความเห็นความยึดถือตัวนี้ติดตัวมาหรือเปล่า ยึดถือรูปเวทนาสัญญาสังขารมุญญาที่เป็นตัวเป็นตนเนี่ยยึดถือกระแสชีวิตที่เป็นตัวเป็นตนเนี่ยและมันยังมีปัจจัยอื่นๆช่วยเสริมใช่ไหมปกติมันมีพื้นฐานความเห็นผิดเนี่ยเป็นตัวเสริมอยู่แล้วตัวทิฏฐิเหล่านี้ตัวสักกายทิฏฐิของมนุษย์มันมีเป็นพื้นเดิมเป็นทนเดิมของมนุษย์อยู่แล้วใช่ไหมทีนี้พอมาเกี่ยวข้องกับปัจจัยอื่นที่ช่วยเสริมมีความรู้สึกนั้นไอ้ภาษาคําสมมุติต่างๆความหมายต่างๆ ที่ชวนให้มนุษย์ติดบัญญัติมองเห็นสิ่งต่างๆแยกออกจากกันเป็นต้นไม่ได้มีความรู้สึกกลายเป็นความยึดมั่นเพราะตัณหาความอยากนั่นแหละเป็นปัจจัยยึดมั่นมีตัวตนเป็นผู้ได้รับตัวตนเป็นผู้ได้เสวยมีตัวตนเป็นเจ้าของมีตัวตนเป็นทุกกระทําเป็นผู้ถูกกระทําเเมื่ออยากเป็นอยากอยู่อยากได้ไอ้ตัวตนทั้งหลายเหล่านี้มันก็อัดแน่นขึ้นมาเต็มไปหมดเลยเนี่ยยึดถือในตัวตนอันใดหนึ่งที่จะต้องสูญสลายกลัวตัวตนจะสูญสลายบ้างปราถนาตัวตนคงอยู่ เป็นต้นเหล่านี้ดำเนินไปลักษณะแบบนี้ <c oughs> เขาเรียกผู้โดยชนเนี่ยมีจิตที่ไม่ปลอดโปร่งไม่โล่งไม่สามารถจะเดินปัญญาให้เห็นไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นต้นได้มันก็มีความยึดถืออัตตาตัว ต, วตนเหล่านีออ้ลักษณะอย่างนี้แหละในอัตวาทุปาทานตรงนี้พระอาจารย์ก็บอกภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าบอกว่า ดีและแม้เราก็ไม่เห็นอัตวาทุปาทานที่ไม่ก่อให้เกิดความเศร้าโศกความขํามคนความทุกข์ทรมนรานเดียวญาตแก่ผู้ยึดมั่นนะอัตวาทุปาทานความยึดมั่นวัฏว่าตัวตนเนี่ยความถือสําคัญหมายในภายในว่ามีตัวตนที่จะได้จะเป็นจะอยู่จะสูญสลายถูกบีบคั้นทําลายหรือเป็นเจ้าของเป็นนายบังคับบัญชาสิ่งต่างๆได้เนี่ยไม่มองเห็นสภาวะธรรมและสิ่งทั้งปวงอันรวมตัวกันว่าเป็นแต่เพียง ที่ประชุมกันของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เห็นเป็นไปตามเหตุเป็นไปตามปัจจัยนะว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันสัมพันธ์กันล้วนๆมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยอาศัยองค์ประกอบต่างๆมาประชุมกันแล้ทั้งองค์ประกอบนี้ก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยยังไงไม่เข้าใจตามความเป็นจริงอย่างนั้นตรงนี้ก็เกิดสักยญาติที่ขขึ้นมาพิจารณาเห็นรูปว่าเป็นอัตตาบ้าง เห็นอัตตาว่ามีรูปเห็นรูปในอัตตาเห็นอัตตาในรูปเนี่ยพิจารณาเห็นเวทนาเป็นอัตตาบ้างอัตตามีเวทนาเวทนาในอัตตาอัตตาในเวทนาพิจารณาเห็นสัญญาเป็นอัตตาอัตตามีสัญญาสัญญาในอัตตาอัตตาในสัญญาพิจารณาเห็นสังขารว่าเป็นอัตตาพิจารณาอัตตาว่ามีสังขารสังขารในอัตตาอัตตาในสังขารแล้วก็สุดท้ายก็พิจารณาเห็นวิญญาณว่าเป็นอัตตาบ้างอัตตามีวิญญาณบ้างวิญญาณในอัตตาอัตตาในวิญญาณเนี่ย เธอจะอาศัยทิฏฐินิสัยที่ไม่ก่อให้เกิดความเศร้าโศกความคร่ำควรวญความทุกขโทมนัตอุปายาตแก่ผู้ยึ ด, ยดมั่นได้หรือเธอเห็นทิฏฐินิสัยเช่นนี้หรือไม่ภิกษุตอบว่าไม่เห็นพระเจ้าข้าพระเจ้าตรัสว่าดีละถึงเราก็ไม่เห็นทิฏฐินิสัยที่จะไม่ก่อให้เกิดความเศร้าโศกความคร่ำควรวญทุกโทมานัตแล้วปายาตแก่ผู้ยึดมัน่นทิฏฐินิสัยก็แปลว่าที่อาศัยของทิฏฐิก็หมายความว่าทิฏฐิที่เกิดขึ้นก่อน อันเป็นที่อาศัยของทิฏฐิที่หลังงก็หมายความว่าสักยะทิฏฐิเนี่ยเป็นประธานแล้วต่อมาก็จะมีทิฏฐิตามมาเปิดพัดลมก็จะอศสยว่าเมื่อมีทิฏฐิที่เกิดก่อนทิฏฐิก่อนเนี่ยถ้ามีสักยะทิฏฐิแล้วเดี๋ยวก็จะมีทิฏฐิตัวอื่นตามมานีเดี๋ยวก็จะมีทิฏฐิตัวอื่นตามมาก็วั สัตสตาทิฐิบ้างนะียความเห็นว่าเที่ยงบ้างความเห็นว่าขาดศูนย์บ้างต่างๆเป็นต้นเหล่านี้ก็อาศัยจากสักยะทิฐินี่แหละนั้นเพราะมีสักยทิฐิเหล่านี้ไอ้ตัวความเห็นว่าเป็นอัตราตัวตนทั้งหลายเหล่านี้มันก็ตามมา <c oughs> เดี๋ยวแต่นี่เดี๋ยวอธิบายตรงนี้นิดนึง จะได้เข้าใจในเรื่องของความเป็นจริงตรงนี้นิดพระพุทธเจ้าแสดงเรื่องของอนัตตลกขนะสุพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าเมื่ออัตตาคือขันห้ามีอยู่ความยึดถือว่าวัตถุภายนอกของเราเป็นสมบัติของเราจะมีได้หรือไม่ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าใช่พระพุทธเจ้าข้าเห็นไหมพอไปยึดมั่นกระแสชีวิตโดยความเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาปุ๊บมันจะยึดถือวัตถุข้างนอกเลย ว่า ป, ปมีของเราถ้ามีเราก็ต้องมีของเราใช่ไหมอัตตาอัตานิยะเนี่ยเมื่อมีเรานี่แหละของของเราจึงมีถ้าไม่มีเราแล้วของของเรามันก็ไม่มีพระุทธเจ้าตรัสถามว่าเมื่อวัตถุภายนอกของเราเป็นสมบัติของเรามีอยู่ความยึดถือเป็นอัตตาของเราจะมีได้หรือไม่ภิกษุก็บอกว่าใช่พุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าเมื่ออัตตาและวัตถุภายนอกของเราไม่มีอยู่จริง ไม่มีจริงอย่างแน่แท้เหตุเกิดของทิฏฐิเรานั้นเป็นโลกเป็นอัตราขั้นตายไปแล้วจากเที่ยงจากจั่งยืนของที่ไม่แปลผันดำรงอยู่อย่างนั้นเทียบเท่าสิ่งที่คงที่เหตุเกิดของทิฏฐินั้นไม่ใช่ธรรมของคนโง่สมบูรณ์แบบแลยหรือภิกษุก็ตอบว่าทําไมจะไม่เป็นอย่างนั้นเหตุเกิดของทิฏฐินั้นแหละเป็นธรรมของคนโง่สมบูรณ์แบบทีเดียวพระเจ้าค่ะก็หมายความว่าจริงๆแล้วไปยึดสิ่งที่มันไม่จริงว่าเป็นจริงก็โงโ่สมบูรณ์แบบว่างั้นเถอะ พระรยาก็ตรัสถามว่าเธอเข้าใจความข้อนั้นอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเห็นไหมทําเป็นอัตตาตัว ต, วตวนมันก็ไม่เทียงเออมันก็ต้องเทียงรูปเที่ยงหรือไม่รูปเปมือ่อบอกว่าพระจ้าตรัสถามว่ารูปที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขบอกเป็นทุกข์ รูปที่ไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นรูปว่ารูปนี้ของเรารูปนี้เป็นเรารูปนี้เป็นอัตตาตัวตนของเราก็ไม่ควรใช่ไหมไม่ควรจะไปรูปนี้ของเราไม่ควรไปยึดด้วยตัณหารูปนี้เป็นเราไม่ควรไปยึดด้วยทิฏมานะรูปนี้เป็นอัตตาของเราไม่ควรไปยึดมั่นด้วยทิฏสิ่งที่เราคาวรทําความเข้าใจมันก็เลยสามตัวนี่แหละตัณหามานะทิฏ ในตัวอยากได้มานาก็อยากใหญ่ทิฏฐ <m hthal an> ิก <gro an> mm ็เลยใจแคบในความนี <reinforcing> oh ้พระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าเธอเข้าใจความข้อนั้นอย่างไรเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงภิกษุก็บอกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามต่อไปว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขพระภิกษุก็ตอบบอกว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขพระเจ้าถามว่า เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาตามเห็นว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ของเราควรจะตามเห็นด้วยตัณหาไหมไม่ควรเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นเราควรตามเห็นด้วยมานะไหมก็ไม่ควรอีกนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นอัตตาตัวตนของเราพระพิสูจน์ก็ตอบไม่ควรพระเจ้าค่ะพระเจ้าก็ตัดเพราะเหตุนั้น รูปอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในก็ตามภายนอกก็ตามหยาบก็ตามละเอียดเลวประนีไกลและใกล้ก็ตามเธอควรเห็นรูปทั้งปวงตามความเป็นจริงด้วยปัญญาณชอบก็คือควรเห็นด้วยวิปัสนาปัญญาว่ารูปนี้ไม่ใช่ของเราควรทําลายตัณหาเสียเพราะงั้นเธอรูปนี้ไม่ใช่เรารูปนี้ไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราเนี่ยตรงเนี้ยเออพอมาพิจารณาตรงนี้สิ่งที่ควรจะ ทำความเข้าใจอีกอย่างก็คือว่าพระเจ้าภิสูจทั้งหลายเพราะเหตุนั้นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเร็วประณีไกลและใกล้เนี่ยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นต้นเหล่านี้ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเร็วประณีตไกลและใกล้เนี่ยเธอทั้งหลายควรพิจารณาเห็นด้วยปัญญาชอบคือควรพิจารณาเห็นโดยวิปัสนาปัญญาว่า รูปเวทนาเวรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเนี่ยไม่ใช่ของเรารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณี้ไม่ใช่เรารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณี้ไม่ใช่อัตตาของเราเนี่ยนะก็ต้องทําลายเนี่ยไอตัวตัณหามานะและทิฏฐิที่ไปยึดติดหรือไปเห็นผิดไปเข้าใจผิดในรูปในเวทนาในสัญญาสังขารวิญญาเป็นต้น อริยสาวกผู้มีความรู้เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายในรูปย่อมเบื่อหน่ายในเวทนาเบื่อหน่ายในสัญญาเบื่อหน่ายในสังขารเบื่อหน่ายในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนับเมื่อคลายกำหนัดจิต ก, ก็หลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วก็ย่อมหลุดย่อมรูมร้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจันทร์อยู่จบแล้วกิตที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ไม่ไมด้มีเนี่ยภิกษุก็สามารถที่จะถอนริมเกลวิชาได้แล้วเป็นอย่างไรก็คือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ขจัดอวิชาคือความมืดบอดได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทําให้ไม่มีเกิดขึ้นอีกต่อไปเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ภิกษุเป็นผู้ขุดครูคือกรรมได้แล้วเป็นอย่างไรภิกษุในพระธรรมวิ น, นัยนี้ขจัดกรรมที่ทําให้เกิดชาติก็คือไม่ต้องทํากรรมที่ไปต้องไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่อีกแล้วไอ้ตัวกรรมทั้งหลายมันก่อให้เกิดภพใหม่ได้อย่างเด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคน เหมือนตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่เพียงพื้นที่ทำให้ไม่มีไม่เกิดขึ้นเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ภิกษุเป็นผู้ถอนเสาระเนียดก็คื อ, คอตัณหาได้แล้วเป็นอย่างไรภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ขจัดตัณหาได้เด็ดขาดตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่เพียงพื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ภิกษุเป็นผู้ไม่มีบานประตูคือโอร โอรัมภาคิยสังโยชน์ก็คือสังยชนเบื้องสูงอ่ะภิกษุในพฤตธรรมวินัยนี้ก็คือขจัดโอรัมภากิยสังโยชน์ได้อย่างเด็ดขาดถอนคนตัดเหมือนตัดต้นโตต้นตัดรากถอนคนต้นตานั่นแหละเหลือแต่เพลิงพื้นที่ทําให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปอีกไม่ได้แล้วเห็นไหมว่าในโอรัมภากิยสังโยชนสังโยชน์เบื้องต่าโอรัมภะกิยเบื้องต่ําไม่ใช่เบื้องบนเนื้ โอรรโอรัมภาคิยะเนี่ยคือสักยะทิฐิความเห็นผิดเห็นรูปนามว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี่นไปเข้าใจผิดมีปุถุชนมีวิจิกิจฉาสงสัยในพระธรนมตรยสงสัยในเหตุและผลสงสัยในกรรมและผลของกรรมสีรัพตปรมาสายึดมั่นในสีและข้อปฏิบัติที่นอกทางของอริยมรรคไปยึดมั่นแบบแผนวัที่ปเพณีทั้งหลายที่ไม่เป็นไปตามมรรคของพระชษฐาเจ้า กรารมาฉันทะกรารมาราคะเพื่อเพือในกรารมาคุณทั้งห้าปยาบาทปฏิฆะความโกรธเป็นต้นภิกษุเป็นผู้หมดจดลดทงคือมานะปรงปรงภาระคือมานะได้แล้วไม่ประกอบด้วยมานะเป็นอย่างไรภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ขจัดอสมีมานะความถือตัวได้อย่างเด็ดขาดตัดตรากถอนโคนคนที่จะละมานะได้คือพระอรหันต์น เหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่เพียงพื้นที่ทําให้ไม่มีเกิดขึ้นอีกต่อไปการไม่ยึดถือคือถวยเทพพร้อมทั้งพระอินทร์พรหมมารเสาะหาภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นอย่างนี้ย่อมไม่พบว่าวิญญาณของพระอรหันต์อาศัยอารมณ์อะไรที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเรากล่าวว่าพระอรหันต์เป็นผู้ไม่มีใครรู้เห็นในอัตภาพปัจจุบันคือพระอรหันต์เวลาจุติปุ๊บตายแล้วนะีไม่มีปฏิสนธิสืบต่อ สมณพราหมงพู้กล่าวตูเราผู้บอกกล่าวอย่างนี้ด้วยคําเท็จเลื่อนลอยไม่เป็นความจริงว่าพระสมมณโคดมเนี่ยเป็นผู้กําจัดกล่าสัตว์จึงประกาศความขาดศูนย์พินาตไม่มีพบสัตว์ผู้มีอยู่สมณพราหมเหล่านั้นกล่าวตูเราด้วยคําเท็จเลื่อนลอยไม่เป็นจริงตามที่เราไม่ได้กล่าวอย่างนั้นพระสมมณโคดมเป็นผู้กําจัดจึงประกาศความขาดศูนย์พินาตไม่มีพบของสัตว์ผู้มีอยู่ เราประกาศทุกและความดับทุกขทั้งในการก่อนและในการระบาดนี้ถ้าบุคคลอื่นดา่าบริพาสคุก ค, คามเบียดเบียนตถาคตในการประกาศสัจจานั้นตถาคตก็ไม่ขัดเคืองไม่เสียใจไม่มีจิตคิดร้ายด้วยการด่านั้นเป็นต้นนะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยวันทีมีคนไปตําหนิพระพุทธเจ้าว่าเออพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ประกาศความขาดศูนย์ เช่นว่าพระลรหันตายแล้วไม่เกิดแปลว่าเขาเป็นการกล่าวเท็ตนั่นเองคำกล่าวของเขาเนี่ยจริงๆแล้วโดยสภาวะมันจริงแต่ความเข้าใจของเขานะี่มันเท็จที่จริงพระพุทธเจ้ากล่าวถึงทุกและความดับทุกนะเพราะทุกมันไม่เพราะไอเหตุของทุกมันหมดไปทุกมันก็ดับไปก็ไม่มีเหตุที่จะไปก่อทุกให้เกิดขึ้นมาใหม่อีก เมื่อบุคคลอื่นสการะเคารพนับถือบูชาตถาคตในประกาศในการประกาศสัจจะตถาคตไม่ได้ยินดีไม่ใช่ชอบใจไม่ลําพองใจด้วยสการะเป็นต้นตถาคตดําริอย่างนี้ในสการะเป็นต้นว่าบุคคลทําสการะเช่นนี้ในเบญจขันธ์ที่เรากําหนดรู้แล้วในการก่อน เ, ออเวลามีใครมาสการะบูชาก็พระเจ้าก็กําหนดรู้เขามาสการะเบญจขันธ์ที่เราได้กําหนดรู้แล้วกําหนดรู้แล้วว่าเบญจขันธ์นี้เป็นทุกขสัจจะ กำหนดรู้แล้วเหตุทั้งบัญญัติบัขันเืออวิชชาตันหาเป็นสมุทัยสัจจะกำหนดรู้แล้วถ้าดับอวิชชาตันหาดับบัญญัติขันเป็นนิโรธาสัจจะกำหนดรู้แล้วว่าปฏิปทาถึงนิโรธเนี่ยเป็นมารคศเนี่ยนะบุคคลนั้นเพราะเหตุนั้นถ้าบุคคลอื่นจะด่า จ, จะบริพารคุกคามเบียดเบียนเธอเธอก็ไม่ควรขัดเคืองเสียใจหรือมีจิตคิดร้ายด้วยการด่าเป็นต้นนั้น ถ้าบุคคลอื่นสการะเคารพนับถือบูชาเธอเธอก็ไม่ควรดีใจชอบใจหรือลำพองใจได้สการะนั้นเพราะอะไรเพราะจริงๆก็เขามาบูชาขันห้าใช่ไหมเรามันมีอยู่ในขันห้าที่ไหนลราจะไปดีใจทําไมกับมาบูบูชาอะไรรูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันเกิดดับสืบต่อถ้าเขาจะมาด่ามาบริภาศเขาก็ด่าอะไรด่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะไปโกรธอะไรเกิดดับสืบต่อเข้าใจไหมล่ะ ไม่เพี้ยตาตัวตนใดๆถ้าบุคคลอื่นเคารพนับถือบูชาเธอเธอคิดอย่างนี้ในสักการะเป็นต้นว่าบุคคลทําการสักการะเช่นนี้ในเบญญขันที่เรากําหนดรู้แล้วในการก่อนก็เรากําหนดรู้แล้วฉลาดในขันห้าแล้วก็ไม่ต้องไปยึดติดกับมันว่างั้นเถอเพราะเหตุนั้นเธอจงละสภาวธรรมที่ไม่ใช่ของเธอสภาวธรรมที่เธอละได้แล้วนั้นจะเป็นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่เธอตลอดกาลนาน คือตรงเนี้ยพุทธเจ้าตรัสได้สูตรอื่น่รูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละรูปนั้นเสียรูปอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนานรูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอพึงละในที่นั้นละรูปในที่นั้นคือละฉันทราคะคือความติดใจฝ่ายกสันในรูปเสียเวทนาไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละชันธราคาคือความติดใจฝใยกสันในเวทนานั้นเสียสัญญาความจําได้หมายรู้ก็ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละชันธราคะความติดใจฝใยกระสันในสัญญาของเธอทั้งหลายสังขารก็ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละชันธราชักฆในสังขารวิญญาณก็ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงละฉันธราคะคือความติดใจใยกระสันในวิญญาณ ถ้าเธอรัฉันราคาในรูปในเวรนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณของเธอทั้งหลายได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์นะทั้งประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ในภพหน้าประโยชน์อย่างยิ่งคือปรมัตถประโยชน์แก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนานรูปไม่ใช่ของเธอเธอทั้งหลายจงละฉันราคาเธอรูปที่เธอทั้งหลายฉันราคาที่เธอทั้งหลายลัได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขตลอดกาลนานเป็นต้นเหล่านี้นะ เธอเข้าใจความข้อนั้นอย่างไรมีคนนำหญ้านําไม้นํากิ่งไม้หรือใบไม้ในเชดวันนี้ไปเผาหรือไปทําตามความปรารถนาเธอคิดอย่างนี้บ้างหรือว่าเขานำเราะเราไปเผาทําตามความปรารถนาเธอคิดอย่างนั้นไหมภิกษุทั้งหลายก็ตอบไม่ได้คิดอย่างนั้นพื่อเจ้าค่ะเวลามีใครเอาหญ้าเอากิ่งไม้ในวัดกลางเนี่ยเอาไปเผาเอาไปทําลายเนี่ย ตามความปรารถนาของเขาเราคิดไหมว่าเขากําลังเอาเราไปเผาเอาเราไปทําลายเอาเราไปโยนลงน้ําเราคิดอย่างนั้นไหมบอกไม่ได้คิดอย่างนั้นพุทธเจ้ากระต่ายว่าที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรพิกษุทั้งหลายเพราะนั่นไม่ใช่อัตตาหรือเนื่องด้วยอัตตาของข้าพุทธเจ้าทั้งหลายนั่นไม่ใช่ของเรานั่นก็ไม่ใช่เราเราไปยึดทําไมไหม ถมองกันอย่างนี้ก็คือว่าเนี้ยของทั้งหมดเหล่านี้ถ้ามีคนเข้าไปเผาเอาไปทิ้งเอาไปทำลายทั้งหลายเนี่ยเราควรเราคิดไหมว่าเขากำลังเอาเราไปเผาไปทำลายเอาของเราไปเผาไปทำลายเพราะจริงจริงมันใช่เราไหมมันใช่ของเราไหมขันห้ามันก็เกิดดาบสืบต่อแต่ความยึดติดความยึดมั่นถือมั่นความสาคัญหมาย ไอ้ตัณหามานะทิ่ฐิเนี่ยมันเปนหลอกตัวเองจนกลายเป็นว่ามันมีเราจริงๆแล้วไปเห็นว่าพอมีเรามันก็เลยมีของของเราโอ้โหเยอะไปหมดเลยแต่เนี้ยถ้าคิดอย่างนี้ได้จะปลอดปอโปร่งร่งเบาไหมถ้าพัฒนาปัญญาให้เห็นกลาความจริงจริงอย่างนี้ได้เรื่องหลับหรือไม่หลับเป็นปัญหาไหมถ้ามันไม่มีเราแล้วเป็นไม่เป็นเป็นหรือไม่เป็น มันไม่มีหรอกมันจะไปทุกได้ไหมมันก็จะเห็นด้วยความเป็นกระแสะชีวิตหลับหรือไม่หลับเ็เรื่องของมันใช่ไหมเล่าก็ทําเหตุปัจจัยของเราไปอะไรที่เป็นผลดีก็ทําไปตื่นก็ตื่นหลับก็หลับก็ไม่ต้องไปทุกใจอะไรเลยใช่ไหมเพราะไม่ใช่ว่าเราเนี่ยมีที่ไหนเราโรคประคันเกิดดับสืบต่อทุกวินาทีเวทนาสัญญาสังขาร ว, วิญญาณก็เกิดดับสืบต่อทุกวินาทีเร็วยิ่งกว่าฟ้าแลบคํานวณไม่ได้เลยใช่ไหม หลับหรือไม่หลับไม่เห็นสําคัญอะไรเลยตอนนี้มองเห็นได้ยังตอนนี้เ <c oughs> ออตอนนี้มันเป็นอย่างนี้แหละพระเจ้าตรัสอย่างนั้นอ บ, บอกว่าภิกษุ ท, ทั้งหลายทูลว่าเพราะนั่นไม่ใช่อัตตาหรือเนื่องด้วยอัตตาของข้าพระเจ้าทั้งหลายพระเจ้าตรัสว่าอย่างนั้นนั่นแหลเธอจงละสภาวะธรรมที่ไม่ใช่ของเธอสภาวะธรรมที่เธอละได้แล้วนั่นแหละจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลอะไรเล่าไม่ใช่ของเธอ รูปไม่ใช่ของเธอในใช่ของเธอผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยหันใหม่หันก่าวมันสมองดีสเสลต์หนองเลือดเหนื อ, อมันค้นน้ำตาเปลวมันเป็นต้นเหล่านี้ในส่วนรูปประคันมหาบุทธรูปสี่ปาไทยรูปยี่สิบสี่เนี่ยไม่ใช่ของเธอพระเจ้าบอกจงละชั้นตราคะในรูป คามติดใจจงละมานจงละตั้หาที่ไปยินดีพอใจที่ไปยึดในรูปเสียละมานะที่ไปยึดในรูปเสียละทิฐีขึ้ไปเห็นผิดในรูปเสียรูปที่เธอละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อความสุขนะ <im itation> เพื่อประโยชน์และความสุขเป็นไปเพื่อประโยชน์เนนะเป็นไปเพื่อปรมัตถประโยชน์และเป็นไปเพื่อพระนิพพานคือความสุขที่แท้ จ, จริงตลอดกาลนาน <im itation> เวทนาก็ <im itation> าไม่ใช่ของเธอเธอละฉันทราคาในเวทนาเสียเวทนาที่เธอละได้แล้วนี่แหละ ชันธราค้าที่เธอรัได้แล้วเนี่ยจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขตลอดกาลนานสัญญาก็ม่เหยงของเธอเธอจงละความติดใจใยกระสันทั้งหลายตัณหามามาณทิฐิในในสัญญานั้นเสียตัณหามาณทิถิที่เธอทั้งหลายลัได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขตลอดกาลนานสังขารก็ไม่เหยงของเธอใช่ไหมสังขารละขันเนี่ยเว้นเวทนาขันสัญญาขันดอกเสียนอกนั้นไม่ใช่หรอกความคิดปรุงแต่งหรือไม่ปรุงแต่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นต่อเหล่านี้ ผมแต่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายให้ละความติดกว่าตั้หามาณทิฐิที่ไปยินดีพอใจในสังขารขันหล่านั้นละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขวิญญาณก็ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละฉันตราฆาในวิญญาณนั้นเสียวิญญาณที่เธอทั้งหลายละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเป็นต้นเหล่านี้เราแสดงทำไว้ดีแล้วเข้าใจง่ายเปิดเผยชัดเจน ชำระขยะคือภิกษุปลอมแล้วเมื่อเราแสดงธรรมดังกล่าวไว้แล้วอย่างนี้ภิกษุใดเป็นอรหันต์ขีณาสอบอยู่จบพมจันทร์ทํากิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วโปรง่งภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนสิน้นสิ้นเครื่องผูกพอ่อปลดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบภิกษุเหล่านั้นไม่มีวัตตาเพื่อปรากฏอีกต่อไปไม่ต้องเกิดอีกต่อไปนี่ถ้าเป็นพระอรหรันต์จะเป็นอย่างนั้นพระเจ้าแสดงธรรมไว้ดีแล้วเนี่ยเข้าใจง่ายเปิดเผยชัดเจนด้วย ชำระขยะคือภิกษุปลอมชำระกิเลสนั่นแหละภิกษุเราไดาละโอรัมภายะสังหาประการได้แล้วภิกษุนั้นทั้งหมดเป็นผู้ผุดเกิดเป็นพรมนั่นเองแลรร้วปฏิพันธ์ในพม่าโลกไม่ต้องกลับมาเกิดในโลกนี้อีกภิกษุใดละสังโยชสามมีราคะโทสะโมหะเบาบางภิกษุนั้นเป็นสากาทาคามีมาสู่โลกนี้คราวเดียวเท่านั้นแหละจะทำที่สุดแห่งทุกได้ ภิกษุใดละสังโยชน์สามสกะยติทีวิจิกิขาสีรัพตาปรามาตภิกษุนั้นก็เป็นพระโสดาบันไม่ตกอบายภูมิแน่นอนต่อมากเบื้องสูงยิ่งยิ่ ง, งขึ้นไปภิกษุเราใดเป็นธรรมสารีผู้ลึกเสมอด้วยธรรมคือปัญญาเป็นศรัทธานุสาลีเป็นผู้ระลึกเสมอด้วยศรัทธาภิกษุทั้งหมดมีมรรคยานเบื้องสูงเป็นเบื้องหน้า ภิกษุใดมีเพียงศรัทธาและเคารพรักเราภิกษุนั้นทั้งหมดจะได้ไปสวรรค์ในภายหน้าเออจริงจริงนะภิกษุเราใดนะมีเพียงศรัทธาและความเชื่อมั่นในพระตถาคตภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดจะได้ไปสวรรค์ในภายหน้าแค่เราศรัทธาในพระธรรมนาตรัยเราไปสวรรค์ได้จริงจริงนะเขาศรัทธาถูกต้องนะธรรมานุสาลีเพื่อลึกเสมอด้วยธรรมะคือปัญญาหมายถึงท่านผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุโสดาปิผล มีปัญญาแก่กล้าเมื่อบรรลุผลแล้วก็กลายเป็นทิฏฐิปัตตะผู้เข้าถึงสมาธิิผู้บรรลุอรหรันตผลต่อจากที่ได้รับนิพพานโดยโ ส, สดาปิมัคคิยานคําว่าศรัทธานุสาลีเนี่ยคือผู้ระลึกเสมอโดยศรัทธาหมายถึงท่านผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุโ ส, สดาปิผลนั่นแหละกลุ่มนี้มีศรัทธาแก่กล้าบรรลุผลแล้วกลายเป็นศรัทาวิมุตต์หลุดพ้นกิเลสโดยศรัทธานั่นแหละ พระุทธเจ้าตรัสาสิทธิและภิกษุเหล่านั้นก็ชื่นชมยินดีเนี่ยในอรรกถูประมาสูในใจความเนี่ยนี่อ่านปุ๊อาจจะเข้าใจง่ายบางยากบางอาตอนนี้เดี๋ยวขยายต่อที่จะพูดเรื่องทิฏฐิทิฏฐินี่เรื่องใหญ่นพอพูดถึงเรื่องทิฏฐิเนี่ยเอแต่เคยพูดไปบา้างยังทิฏฐิเคยแล้วเนี่ย เดี๋ยวจะขยายนะขยายในพรหมชาลสูตรแบบย่อๆเนี่ยไม่เอาเยอะแบ่งเรื่องการเรื่องทิฏฐิเนี่ยในพรหมชาลสูตรเนี่ยเป็นพระสูตรที่เคยบรรยายไว้แล้วสรุปสรุปประเด็นตรงนี้นิดหนึ่งนะ ใจความตรงนี้ก็คือต้องการอยากจะกล่าวในเรื่องของออพระสูตรสตนี้เพราะมีกล่าวไว้ในเรื่องของทิฏฐิเขาไว้จะกล่าวถึงหัวใจของพรหมจรรสูตรก็พูดถึงเรื่องของสรรพยุติยานที่เป็นสาระสําคัญแล้วก็พูดถึงเรื่องของอันตรายยิกธรรมธรรมที่ทําอันตรายต่อฌานต่อมรรคต่อผล ความยินดียินร้ายดุรโภโทสารมหาหกือกองกิเลสอื่นๆนี่แหละอันตรายต่อบุคคลที่จะปราถนาพระนิพพานก็พูดถึงศีลใจความนะพูดถึงจุรศีลมชิมศีลมหาศีลแล้วก็พูดถึงทิฏฐิ62แล้วก็พูดถึงวิปัสสนาญาณที่จะเป็นตัวทำลายทิฏฐินั้นแต่ในที่นี้จะพูดถึงในเรื่องของมิจฉาทิฏฐิในบรรดามิจฉาทิฏฐิเนี่ยเนี่ย ไอตัวมิจฉาทิถีหกสิบสมันมาจากอะไรมิจฉาทิถีหิบสเนี่ยมันมาจากตัวสกยายทิฐินี่แหละเป็นมูลมูลราบใช่ไหมเพราะมีทิถีเหล่านี้มันก็พัฒนาตัวนไปเรื่อยๆๆๆ ๆ, ๆพระเจ้าบอกว่าสัพาสารที่ยังไม่บรรลุก็ย่อมยึดทางเพียงสองทางคือทางผิดก็คือมิจฉาทิฐิกับทางถูกคือสัมมาทิฐิการเดินทางผิด ที่เกิดขึ้นเพราะคบคนพาลว่างั้นเถอะพาลูประสวนานี่แหละไอเกินดะเพราะไปคบคนพาลไปคบคนชั่วคบ ค, บ ค, บ, คบคนผิดนี่แหละส่วนการเดินทางถูกก็เกิดขึ้นเพราะการครบคนดีสัพปริสูรสังเสริวเนี่ยหากหลงเดินทางผิดจะทําให้เส้นทางแห่งสังสารวัฏเนี่ยยาวไกลไล่ไล่จุดหมายแล้วแล้วก็ประสบชาติทุกข์ ชาราทุกพยาธิทุกมรณทุกมราณะทุกอยู่ล่ําไปหากเดินทางถูกก็มีโอกาสเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือเข้าถึงพระนิพพานตราบใดที่ยังไม่เข้าถึงพระนิพพานก็จะต้องวนเวียนอยู่ในห่วงของมารดาทุกเนี่ยนะเออถ้าเรามองงี้ก็จะเห็นว่าพระเจ้าแสดงในเรื่องของปรมชาลสูตรเนี่ยต้องการจะชี้ประเด็นหลังนี้แหละทีนี้ในทิฏฐิ62สิบอเนี่ยก็แบ่งเป็น10กลุ่ม ทิฏฐิโิบสนี่พัฒนาตัวมาจากศักยทิฐิเนี่ยนะเมื่อเห็นด้วยความเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนแล้วมันพัฒนาไปเห็นด้วยความเที่ยงเป็นกลุ่มสัสตว์ตางทิฐิเสี้ยสี่จำพวกเอกาสัสตว์ตางทิฐิแบบเที่ยงโดยส่วนเดียวเนี่ยเสี้ยสี่จำพวกอันตาอันตะวาทะทิฐิอีกบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงเนี่ยนะอเ น, นียส อ, เอมเบลาวิเขปาทิฐิ ความเห็นที่สั้นใสอีก4อาทิตย์อาทิตยจสมุปปันนะอีกสองสัญญีวาทะเห็นว่ามีสัญญาสัญญีวาทะเนี่ยอีก8เนวะสัญญีอีก8อุเฉททิฏฐิเจทิฏฐาธรรมนิพพานเห็นนิทะนิพานพานในปัจจุบันทั้งหลายของเาเนี่ยอันนี้ก็อีกอีกหรวมเป็น62นี่นะเออในในบรรดาทิฏฐิทั้งหลายเนี่ยนะ ในคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านจะกล่าวถึงว่าความเห็นผิดการไม่ซ่องเสพนะเป็นสภาวธรรมที่เห็นผิดจากตามความเป็นจริงองค์ธรรมไีแก่ทิฏฐิเยสิกส่วนสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องนี่เป็นเป็นสิ่งที่ควรซ่องเสพก็ได้แก่ปัญญานะปัญญาทีนี้ในบรรดาความเห็นที่ถูกต้องทั้งหลายเหล่านี้นะที่เราจะต้อง ต่อไปเราจะได้มีการศึกษากันก็กลุ่มคุณ่องของกรรมตะกตาสมาธิถิเป็นต้นเหล่านี้ออมิจฉาทิฏฐิในที่ไม่ปรากฏในพระมรชารสูตรก็มีนะ เ, ออเป็นปรากฏในที่อื่นอย่างเช่นในลทัทธิว่าโดยการบูชายัญ น, นี่ไม่กล่าวไว้ในลทัทธิว่าโดยการอยู่กับพืชธรรมแต่ในกระท่อมลทัทธิที่ว่าโดยการลอยบาปลงสู่แม่น้ำเนี่ย ที่ว่าด้วยการหลุดพ้นในพบต่อไปจากพรมโลกเนี่ยโอเยอะมากนของพวกาศาสนาต่างๆเหล่านี้นี่คือกลุ่มพวกบรรดาทิฏฐิทีนี้ในบรรดาทิฏฐิเนี่ยในครั้งก่อนก็พูดถึงในเรื่องของอเหตุกะทิฏฐินัติกาทิฏฐิอักริยทิฏฐิใช่ไหมทิฏฐิส ท่ที่สองก็ศรัธาทิฏฐิเห็นว่าเที่ยงอุเฉตท่าที่สามเห็นว่าขาดศูนย์เนี่ยแล้วก็ไปพูดถึงในเรื่องของนากติการทิฏฐิสิบอย่างทานที่ให้แล้วไม่มีผลนี่ก็ได้ขยายไปหมดแล้วเนาะขยายไปหมดหรือยังเอออ๋ อ, อถ้าอย่างนั้นมีสงสัยอะไรไยมหกสิบสอง ยังไม่ได้แจงรายละเอียดเนี่ยโอ้โหแจงไวไม่เดียว <c oughs> ในบรรดาทิถีหกสิบสองเนี่ยจะมีพวกกลุ่มสัตวสตารทิฐีสมณพราหมงพวกมีทิถีเห็นว่าเที่ยงก็เลยบยัญญัติว่าอัตตาและโลกว่าเที่ยงคงอยู่ยั่งยืนเราสัตว์ก็จะเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในสังสารวัต แต่สิ่งที่เที่ยงเสมอก็มีคงอยู่ด้วยเหตุสีประการก็คือว่าเพราะเขาได้ปฏิบัติธรรมจนบรรลุเจโตสมาธิสามารถระลึกชาติได้หนึ่งชาติจนถึงแสนชาติและเห็นว่าอัตตาและโลกเที่ยงเนี่ยเขาระลึกได้อย่างนี้เป็นต้นนะนะกลุ่มเหล่านี้ที่ระลึกได้เหล่านี้เป็นกลุ่มที่เขาบางกลุ่มก็คือเขาปฏิบัติธรรมจนบรรลุเจโตสมาธิแล้วก็ร ะ, ะลึกชาติได้ตั้งแต่ ห ส, สังวัตกำปไปจนถึง10 ส, สังวัตกำปก็ เ, เห็นอัตราและโลกและเทียงก็คือการระลึกที่มากขึ้นมากขึ้นนี่แหละกลุ่มสุดท้ายก็กลุ่มที่ตรึกนี่เลยนะบัญญัติอตาลโลกเที่ยงด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งในสอย่างนี้เขาเห็นเป็นนักคิดคิดไปคิดมาค้นคว้าไปค้นคว้ามาก็เห็นว่าโลกอัตราและเที่ยงเนี่ยมันจะเป็นไปลักษณะอย่างนี้ ก็คงไม่ไม่ไปเจาะรายละเอียดดีกว่านอ้อเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเจาะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นสูตรนี้ไปเดี๋ยวถ้ามีโอกาสบรรยายในพระมัชาะสูตรค่อยว่ากัน <c oughs> ในในนี้มันก็ละเอียดเกินเนะี่ยถ้าเราจะพูดถึงในเรื่องของบรรดาการเจาะแต่สรุปตรงนี้ก็แล้วกันว่าอย่างที่ได้พูดมาทั้งหมดเนี่ย พอพูดถึงในเรื่องของความเห็นโดยเฉพาะความเห็นผิดเนี่ยอันนี้เป็นเพราะมันเกิดความเห็นผิดขึ้นมาเนี่ยก็เลยกลายไปเห็นว่ามันเที่ยงบ้างมันเป็นสุขบ้างเห็นว่าเป็นอัตราตัวตนถ้าต้องการจะทําลายทิฏฐิตรงนี้ก็ต้องจเจริญพวกปัญญาทีนี้ก็ต้องมาฟังในเรื่องของไตรลักษณ์ให้ชัด การไปพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นอนัตตาเนี่ยตรงนี้มันจะทําลายโดยเฉพาะถ้าไปเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงมันทําลายเลยทำลายเลยอันนี้ใจนุปัสสนาเกิดขึ้นเนี่ยอทําลายเลยเออทำจริงไหมจริงเออยันถ่ายถูกได้งไง ไปเห็น้วยความเป็นกองไม่เที่ยงมันทำลายมานะได้ถ้าเห็น้วยความเป็นทุกข์จะทำลายอะไรได้เออทำลายตัณหาถ้าเห็น้วยความเป็นอนัตตาก็ทำลายเลยฮะก็ทำลายทิฏฐิงไงไอ้ตรงเนี้ยหลักการมันมีแค่นี้แหละเห็น้วยความไม่เที่ยงเห็น้วยความเป็นทุกข์เห็น้วยความเป็นอนัตตาเนอะไอ้ยัยกตัวอย่างตรงนี้ก่อนดีกว่าแล้วจะได้เห็นว่า เวลาจะทำลายตัณหาต้องเห็นยังไงถ้าไปเห็นลักษณะอย่างนี้แล้วตัณหาจะถูกทำลายได้แต่ถ้าไม่เห็นอย่างเนี้ยตัณหาจะไม่ถูกทำลายนะเห็นยังไงเห็นด้วยความเป็นทุกข์ทีนี้การที่จะเห็นด้วยความเป็นทุกข์เนี่ยต้องไปเห็นอะไรเนี่ยเห็นกระแสชีวิตนี่แหละเห็นกระแสชีวิตนี่แหละด้วยความเป็นทุกข์แต่ถ้าไปเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงปุ๊บ มันก็จะละไอ้ละอะไรละมานาดังที่ได้กล่าวนี้นะ่ ด, ดูดูตรงนี้ดูตัวอย่างในการละไตรลักษณ์ในพระสูตรเนี่ยนะที่แสดงทั้งด้านของอนิจจตาทุกตาแล้วก็อนัตต า, ตาถ้าไปเห็น ที่พระรเจ้ทาทรงสแสดงในลักษณะของในด้านของทุกทั้งหมดเหล่าเนี้พอแสดงในเรื่องของทุกทั้งหมดเหล่านี้ก็จะมองเห็นว่าโอ้ไอตัวสภาพขันห้าทั้งหลายเหล่านี้มันไม่น่ายินดีไม่น่าเพลิดเพลินยังไ ง, ไงเงี้ยเปต้นนะนะ่ะหนึ่งอย่างยกตัวอย่างก่อนว่าพระริจ้าแสดงสแสดงในเรื่องของมีอยู่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ท่านทรงสแสดงในเรื่องตอนที่ท่านว่าตอนที่ อานนท์เนี่ยสมัยนั้นเราเป็นพระเจ้ามหาสุทัศนะพระนคร8ปดห0พันเนี่ยอันมีเมืองกุสาวดีเป็นราชธานีเป็นประมุกเหล่านั้นก็เป็นของเราปราสาทแปดห0พันอันมีธรรมประสาทเป็นประมุก น, นั้นก็ของเราท่านไล่ไปตามลาดับนะรถ 84% ดหมพมีเครื่องอลังการละ แล้วด้วยทองมีธงแล้วด้วยทองเนี่ยมีตาข่ายเครื่องปกคลุมแล้วด้วยทองอันมีรถเ ว, เวชยัน ต, ต์ตรรศต่างเประมุขนั้นก็ของเราเป็นต้นอา น, นน์บรรดานคร 84%00 มพระนะครที่เราอยู่ครอบครองนั้นก็เพียงนะครเดียวเท่านั้นคือกุสาวัดดีเพี้ยนไม่มีนครมีเมืองขึ้นตั้งแปดหมื่นสีพันเมืองจะใช้จริงๆก็คือเมืองเดียวคือกุสาวดัดดีปราสาท 84% ดหมพันปราสาทเราก็อยู่เพียงหลังเดียวเท่านั้นแหละคือธรรมประสาท มันดารถแปดหมื่นสี่พันก็ใช้รถคันเดียวเท่านั้นคือเวทยชยันตรรถอานอนท์เธอจงดูสังขารทั้งหมดเนี่ยล้วนเป็นอดีตดับสิ้นไปอย่างนี้แปลผันไปอย่างนี้นี่คือแสดง อ, อ, อันนี้จะรักษาเนี่ยลักษาที่ไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้สังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนอย่างนี้สังขารทั้งหลายเนี่ยมีความไม่โปร่งไม่ร่ง ไม่มั่นใจอย่างนี้อานนลเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วที่จะหน่ายในสังขารทั้งหลายเพียงพอแล้วที่จะคลายติดเพียงพอแล้วที่จะล่มหลงอย่างนี้ไป็ต้องสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอะมีความเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความเข้าไปสงบระงับสังขารเหล่านั้นได้จะเป็นสุขเนี่ยให้พิจารณาอย่างนี้นี่ท่านมองอดีตท่านเราอดีตหูแต่ก่อนเนี่ยท่านเป็นพระเจ้ามหาสุทัศนะยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแต่สังขารเหล่านั้นหายไปหมดแล้ว บุคคลในยุคนั้นก็พากันตายหมดแล้วสังขารเหล่านั้นก็พากันล่มสลายหมดแล้วทั้งรูปธรรมและนามธรรม ท, ทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตแล้วท่านก็นเลยมายกในปัจจุบันบอกว่านครของเราชื่อว่ากบิลพัทพระราชาพุทธบิดาพระนามว่าสุทโทธทนะพระมาดาผู้ชนนีมีนามว่ามายาเทวีเราคองคารวาสวิสัยอยู่29เปีมีปร า, าสาทสามหลัง ชื่อว่าสุจันทะโกกนุษและกนและกนจัพร้อมด้วยสตรีสี่0มนางเฝ้าแหนอลังกาละยอดนาลีมีชื่อว่ายาโสธราโอรสของเราชื่อว่าลาหุนเห็นไหมคือชี้เห็นว่าเนี่ยท่านอยู่ขนาดนั้นเนี่ยปราสาทหรือดูร้อนหดูหนาวดูฝนมีนางสนมตั้งส0 0 0มส0นาง แล้วก็มีนางยะโสธราหรือพิมพาเป็นเป็นอัครมหเหสีเป็นยอดผู้เป็นยอดนารีของผู้หญิงสี่หมื่นนั้นแล้วก็มีราหุนเนี่ยเป็นโนรถเนี่ยขนาดเราเห็นอย่างนั้นเน่เราถูกหมกมุ่นมัวเมาอย่างนั้นเราเห็นนิมิต4ประการเห็นคนแก่คนเจ็บใช่คนตายเห็นสมณาเนี่ยจึงออกบวช ด, ด้วยอสวรรชยาน ได้บำเพ็ญเพียรบำเพ็ญทุกรกรริยาเนี่ยพันสาเราประกาศธรรมจักที่ป่าอิสิปตนนามริคทายาวันแฝงเมืองพระนาสีเราคือพระสัมพุทธเจ้ามีนามว่าโคตมะเป็นสารณะของสรรพัพสัตอายุ ข, ของเราในยุคสมัยนะบันัดนี้นับเพียงชั่วร้อยปีถึงเราจะดำรงอยู่เพียงเท่านี้มีชีวิตดำรงอยู่เพียงเท่านี้ เราก็ช่วยหมู่ชนให้ข้ามพ้นสังสารวัตไปจำนวนมากมายนับไม่ถ้วนและได้ตั้งคบเพลิงคือธรรมะคือศีลสมาธิปัญญานี่แหละคือพระไตรปิฎกแปดหมืนสี่พันพระธรรมขานี่ตั้งคบเพลิงไว้ปลุกประชาชนภายหลังให้เกิดปัญญาตื่นขึ้นมาตัดสรุปตามต่อไปไไตอนนี้คบเพลิงคือธรรมะยังยังลุกชนอยู่ไหมเนี่ยลุกอยู่ไหม เนี่ยพระองค์ปลุกให้เราตื่นพวกเรามันหลับด้วยอำนาจของกิเลสให้ให้ตื่นมาด้วยปัญญาพระพุทธเจ้ากำลังปลุกเราอยู่ให้ให้ตัดสรู้ต่อไปไม่นานเลยเราพร้อมหมู่ทั้งสาวกจากปรินิพานเหมือนไฟดับไปเพราะสิ้นเชื้อเรือนกายนี้ที่ส่งไว้ซึ่งคุณสมบัติวิจิตไปด้วยลักษณะทั้ง32ประการและนุพยัญชนะิเนี่ยมีเดตหาที่เปรียบเทียบมิได้ กัดท้งพระทศพลยานและประดาลิตฉายประฉับพันรังสีสว่างสวัยทั่วทศทิศดุจ ด, ดังดวงอาทิตย์ก็จักดับรับหายสังขารทั้งหมดทั้งหลายไร้แก่นสารล้วนว่างเปล่าดังนี้และหนอเนี่ยไหมพระเจ้าชี้เห็นว่าเนี่ยแม้เรายิ่งใหญ่ขนาดนี้บรรดาสาวกของเราและบุคคลในยุค น, นี้ทั้งหลายก็จะหมดและลองดูที ในยุคนี้หมดไปจริงไหมไม่มีเหลือยุคพระเจ้าผ่านมาตามลําดับพระเจ้าชาติศัตรูไล่ามาตามลำดับสมัยพระเจ้าโศกลไล่ามาเรื่อยๆๆๆสองพักว่าปีแล้วการพุทธศาสนาผ่านมาผ่านมามาประเทศไทยเราตั้งแต่สมัยสุขโข ท, ทยัยยุธยาหายไปไหนหมดบรรดาสังขารเหล่านั้นเกลี้ยงหมดแล้วรัตนโกสินทร์ทนบุรีก่อนแล้วมารัตนโกสินทร์หนึ่งสอาไล่ามาตามลำดับไม่มีเหลือเลย ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนพานทั้งบัณฑิตทั้งคนมีทั้งคนจนล้วนเดินหน้าไปหาความตายทั้งนั้นภาชนะดินเผาที่นายช่างหม้อทําแล้วทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งสุกและดิบล้วนมีแต่ความแตกสลายที่สุดแม้ชั้นใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็มีความตายเป็นที่สุดฉะนั้นวัยของเราแก่งหอมแล้วชีวิตของเราอยู่เพียงเล็กน้อยเราจะพลากจากพวกเธอไปเราได้ทําสารณะให้แก่ตนคือพระเจ้าบอกเราได้ทําที่พึ่งให้แก่ตนแล้ว แ้วเธอเรามีที่พึ่งไหมพิกษูทั้งหลายพวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติมีความประพฤติดีงามมีความดัมเบลี่ที่มั่นคงจงตามรักษาจิตของตนผู้ใดในพระธรรมวินัยนี้จะเป็นผู้อยู่อย่างไม่ประมาทผู้นั้นละชาตสิสองสารแล้วจะทําที่สุดแห่งทุกได้เออถ้าอยู่ด้วยความไม่ประมาทบําเพ็ญเพียรเยจริญสติสมัญชันญานจะรักชาติ สงสารเป็นต้นได้ภิกษุทั้งหลายปัจจุบันนี้เมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวว่าชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยน้อยเป็นของนิดหน่อยพันรับดับหายมีทุกข์มากมีความขับแค้นมากพึงตรีตรองด้วยความรู้คิดพึงเจริญกุศลพึงครองชีวิตอันประเสริฐคนควรจะถือพรหมจรรย์ควรบวชเนี่ยผู้เกิดมาแล้วเนี่ยควรเป็นอยู่ด้วยปัญญาผู้เกิดมาแล้วจักไม่ตายนะไม่มี บัดนี้คนที่มีอายุยืนอยู่ได้นานก็อยู่ได้เพียงร้อยปีหรือเกินกว่าก็เล็กน้อยผู้ที่มีชีวิตอยู่ถึงร้อยปีก็อยู่เพียง300หรือฤดูเท่านั้นแหละผู้มีอายุครบ3 0 0ร้อยฤดูก็อยู่ได้เพียง 1,200 เดือนผู้ที่อยู่ครบ 1,200 เดือนก็อยู่ได้เพียง 2,400 ปัก คือสิบห้าวันน้ปักเนื้อผู้อยู่ครอบ 2,400 ปักก็อยู่ได้เพียง 36,000 ลาตีเนี่ยอยู่กันแค่นี้สาม0 0ื 36, ลาตีผู้อยู่ครอบ 36,000 ลาตีก็บริโภคอาหารได้เพียง 74,000 มื่นสี่พัน้อจะกินอาหารเพียงแค่นี้แหละนี่100ยร้ปีนะคือฤดูหนาว 24,00 มืมื้อฤดูร้อน2400มื่น 24, 000, มือ้อฤดูฝน24งหมืมื้อทั้งนี้นับรวมทั้งเวลาที่ดื่มนมมารดาและเวลาที่มีและที่มีอันตรายเหตุถัดข้องต้องบริโภคอาหารด้วยอันตรายต่อการบริโภคอาหารมีดังนี้โกรธแล้วไม่บริโภคอาหารบ้างมีความทุกข์ไม่บริโภคอาหารบ้างเจ็บไข้ไม่บริโภคอาหารบ้างรักษาอุโบสถจึงไม่ไม่ได้บริโภคอาหารเสียบ้าง ไม่ได้อาหารก็เลยไม่ได้บริโภคอาหารบ้างพิสูจทั้งหลายอายุของมนุษย์ผู้เป็นอยู่ร้อปีเราได้คํานวณให้แล้วประมาณอายุก็นับแล้วฤดูปีเดือนคืนวันเมื่ออาหารอันตรายแห่งการบริโภคอาหารก็นับให้แล้วฉะนั้นพิสูจทั้งหลายกิจใดที่าศาสดาผู้อนุเคราะห์ผู้สแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลแก่สาวกทั้งหลายจะพึงทําด้วยอาศัยน้ําใจเกื้อกูลกิจอนนั้นเราได้กระทําแล้วแก่เธอทั้งหลาย เพกซ์ Israeli, ทั้งหลายน่นโคนไม้นุ่นเรือนว่างเธอทั้งหลายจงเพ่งพินิษฐ์อย่าประมาทอย่าต้องเป็นผู้มีความเดือดร้อนใจในภายหลังนี่คืออนุสาสนีของเราสําหรับเธอทั้งหลายเอาล่ะสิทีนี้ก็แปลว่าไงพระเจาตรัสอย่างนี้พอจะเข้าใจไหมเอาไปฟังหลายรอบเขาสอนเราตอนนี้สอนท่านตอนนี้ท่านไม่ได้สนใจนะท่านได้ที่พึ่งท่านแล้ว ไม่ต้องเป็นห่วงท่านเิกสูตรทั้งหลายมาพิจารณาเห็นประโยชน์ตนเนี่ยนะก็ควรทีเดียวที่จะพึงยังประโยชน์ตนนั้นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์ผู้อื่นก็ควรทีเดียวที่จะพึงก็ยังประโยชน์ผู้อื่นนี่ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็ควรทีเดียวที่จะยังประโยชน์ทั้งสองฝ่ายถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทตรงนี้นะ พระเจ้าต้องการสอนอะไรเราเนี่ยสอนบอกว่ากิจอันใดที่พระตถาคตที่จะพึงทําแก่เธอกิจอันนั้นน่ยพระทธเจ้าทําแล้วก็แปลว่าหลักการใดๆที่พระเจ้าควรจะบอกอ่ะพระเจ้าบอกเรียบร้อยแล้วกิจของพระเจ้าทําเสร็จแล้วให้หันมาดูตัวเองว่ากิจของเราทําเสร็จหรือยังกิจในการกําหนดรู้ทุกขยังเลยกิจในการละ ก, กิเลสก็ยังอีกกิจในการทําพระนิพพานให้แจ้งก็ยังอีก กิจในการเจริญอบรมอริยามรรคก็ยังอีกฉะนั้นอย่าห่วงคนอื่นห่วงตนเอ ง, ไ ม, อ ง, วงวเไม่ต้องห่วงพระเจ้าไม่ต้องห่วงศาสนาแต่จ้งห่วงว่าตนเองเนี่ยทำกิจของตนเองจอบหรือยังได้หลักการก็ตรงนี้ก็าใจใช่ไหมพอจะเข้าใจยังเออตรงเนี้ยไมมีใครสงสยยัยอะไรไหม